อดูเย็นเป็นสุขกันทุกคนนะมาได้เจอกันขึ้นพรรษาแล้วดูวัเพิ่งอาทิตย์เดียวนี่เองนะขึ้นสแสดงทำหยบยกเมื่อวันเข้าวพรรษาเอาวันอาสาฬหานะอันนี้ก็ผ่าน ม, มาเดือนครึ่งแล้วมาหวังว่าทุกคนก็อยู่สุขสบายดีนะทั้งที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่อยู่บ้านนะมาได้มานะก็หวังว่า วันพระก็จะได้นึกถึงบุญนึกถึงทานพวกเรานะทุกสิ่งก็ามากันนะเพื่ อ, อามาถวายทานกับพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีรวมทั้งนักปฏิบัติธรรมในวัดนอกจากได้บุญแล้วก็ถือว่ามาทำสิ่งที่เป็นมงคลด้วยนะเพราะว่ามงคลข้อนึงก็คือการให้ทาน การบําเพ็ญทานทานนี่บำเพ็ญ ม, มาให้แต่เฉพาะคนยาก ค, คนจนนะหรือขอทานนั้นนะให้กับพระหรือพระพุทธเจ้าก็เรียวาทานนะหมายถึงสิ่งที่ให้ด้วยสิ่งที่การให้ด้วยสิ่งของเรียกว่าทานนะการี่มาวัดแล้วเนี่ยนะหลายคนก็หวังสิ่งมงคลด้วยนะสิ่งมงคลนี่ก็ได้จากอะไรนะ คนส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าเออพระได้ส่วนนะส่วนให้พร อ, อย่างทุกเซนี่พระก็จะส่วนพาวุ้ม น, นอกจากสวดอิทธิพิโสแล้วก็สวดพาวุ้มชาพุทเราก็ถือว่านี่แหละนะเป็นสิริมงคลถ้าได้ฟังนะหรือได้อยู่ในสถานที่ที่พระได้ส่วนก็เป็นมงคลแล้วมงคนมาแต่ว่าไม่ได้ฟังนะใจลอย แต่รู้ว่าเพียงแค่พระะสุรให้ฟังนี่ก็ได้บุญแล้วได้สิริมงคลแล้วทำไมคิดแบบนั้นก็เพราะว่าบทสวดภาผมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้าชัยชนะของพระพุทธเจ้าชนะอะไรบ้างนะชนะมารชนะยักษ์ชนะคนที่ปองร้าย ชนะฆาตกรผู้ร้ายอย่างองค์ุลิมาลชนะคนที่ใส่ร้ายอย่างนางจินตมาริกาชนะช้าง น, นะที่มุ่งหมายจะเอาชีพิพระองค์ชนะแม้กระทั่งมารอมัยเทียมา น, ามมานพรนะพระพรหมชนะนี่ชนะด้วยธรรมะ ไม่ได้ชนะด้วยอาวุธนะไม่มีการเลือกตกยางออกนะอย่างบางครั้งก็ชนะด้วยสติปัญญานะเปลี่ยนทิฏฐนะิของพระพรหมนะอันนี้มันเป็นชัยชนะที่ประเสริฐนะเป็นชัยชนะที่ชาวพุทธเราเราลึกนึกถึง เพราะว่าเราก็อยากจะให้เราประสบชัยชนะไม่มีมารไม่มีคนฟองร้ายมารบกวนธรรมดาคนเรานะก็อยากจะอยู่ดีมีสุขนะแต่ก็มีความกลัวกลัวศัตรูจะมาจองร้างกลัวมารจะมารังควานกลัวสัตว์ร้ายจะมาเบียดเบียนนี่พอเรา ได้มาฟังบทสวดพาหุมที่เป็นชัยชนะของพระเจ้าเราก็เชื่อว่าจะส่งผลอำนวยให้เราปลอดภัยนะไม่มีอันตรายนะสามารถที่จะชนะอุปสรรคชนะศัตรูได้เหมือนกับที่พระเจ้านะชนะสิ่งต่างๆมา เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์นะมารพรมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืนมนุษย์ก็ชนะได้หมดนะเราก็อยากจะชนะแบบนั้นบ้าชนะในความหมายที่ว่ามาทําร้ายเราไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะที่ทําให้เวลาพระเจริญพุทธมนตนะ์ก็จะสวดนะพาหุงและวพวกเราชาวบ้านก็ อยากจะมานั่งฟังบางคนก็ไม่เข้าใจนะว่าความหมายคืออะไรแต่เชื่อว่าถ้าได้อยู่ในที่ที่พระสวดมนต์นะเจริญพุทธมนต์แล้วนะสรีมงคลมันก็จะคุ้มครองปกก้าวนะรบปกกระหมอ่อมนะทำให้อยู่รอดปลอดภัยนะอยู่เย็นเป็นสุขนะ แต่คนี้เนี่ยนะถ้าจะให้ดีก็ต้องเข้าใจความหมายนะเข้าใจความหมายของบทส่วนนี้ไอ้รู้วเนี่ยพระพุทธเจ้าชนะอะไรบ้างแล้วก็ต้องรู้ต่อไปว่าพระพุทธเจ้าชนะได้อย่างไรชนะได้ด้วยธรรมะแล้วที่พระเจ้าเนี่ยชนะได้ด้วยธรรมะเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยชนะสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุด นะการชนะสิ่งนี้ทำให้พระองค์นเนี่ยสามารถจะชนะมารพรมยักษ์นะสัตว์เดราจฉานผู้มุ่งร้ายนะหรือว่าฆาตก ร, กรได้ชนะอะไรนะที่สำคัญที่สุดนะก่อนที่จะมาชนะนะสิ่งทั้งแอย่างเนียก็คือชนะใจตัวเองนะชนะใจตัวเองนะก่อนที่พระเจ้าเนี่ยนะจะมีอนุภาพมีฤทธิ์เนี่ย หรือว่ามีธรรมะเนี่ยเอาชนะสิ่งเหล่านี้ทั้งปวงได้นะก็พระพุทธเนี่ยชนะใจตัวเองหรือผู้ยันคือชนะกิเลสนะถ้าเบื่จ้านี่ไม่ชนะใจตัวเองไม่ชนะกิเลสนี่ก็จะไม่มีบุญญาบารมีหรือว่ามีธรรมะนะที่จะขับไล่ศัตรูต่างๆหรือว่าเปลี่ยนทิศทีของ เท้ามหาพรหมหรือว่าพญานาคราชได้งะถ้าเราอยากจะมีชัยชนะเหนือศัตรูมีชัยชนะมานหรือผู้มุ่งร้ายทั้งหลายเนี่ยนะเราต้องทำตามพระพุทธเจ้านะก็คื อ, ช น, อนะชนะใจตัวเองชนะใจตัวเองชนะกิเลส เราจะชนะ ก, กิเลสได้อย่างไรนะก็ไม่ยากนะเพราะว่า mm hmm. พระพุทธเจ้าได้บอกทางเอาไว้แล้วนะ mm hmm. พระพุทธเจ้าได้บอกทางเอาไว้แล้วศีล ส, สมาธิปัญญานะหรือว่าทางศีลภาวนาถ้ารู้สึกว่าสามข้อนี้มันน้อยไปนะทางศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาน้อยไปก็เอาแปดข้อเลยนะมักมีองค์แปดนะเริ่มต้นที่สมาิธิแล้วก็ ไปจบตรงที่สัมมาสมาธิแต่ถ้ารู้สึกว่ดข้อมันยาวไปเอาสามข้อก็พอนะหรือสามข้อยาวไปมากไปเอาข้อเดียวคือรักษาใจเจ้าของนะรักษาใจเจ้าของพอจะรักษาใจเจ้าของแล้วนี่นะก็มีแต่อยากจะทําความดีเราเว้นความชั่วมันเป็นเองไปเองนะ ถ้าเรารักษาใจเจ้าของนะให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวนะใจมันก็จะเป็นบุญพอใจเป็นบุญแล้วนะต่อไปก็จะเห็นธรรมนะพอเห็นธรรมแล้วนะก็จะก็จะมีของดีนะปกปักรักษาหรือถ้าเกิดว่าอยากจะได้อะไรที่มันง่ายๆก่อนนั้นนะก็ให้เราถึงพระรัตนก า, าย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมักแปดจำได้ยากนะเอาแค่ว่าเราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าเราลึกถึงเมื่อไหร่นะใจมันก็จะเป็นบุญใจก็จะเป็นกุศลนะแ ล, ะล้วรู้ถึงเมื่อไหร่ใจก็อยากจะทําความดีนะถ้าเรารู้จริงๆเนี่ยนะเวลาเคลียรเวลาศูนเนี่ยนะมันบ่อยากดายากว่านะ ความเครียดความสูญนี่มันจะแพ้นะแพ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาเกิดความโลภอยากจะขโมยอยากจะได้มากๆนะอยากจะไปเล่นหวยรวยเบอร์อ่นะพอรู้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะ่อมันทำให้ความอยากมันลดน้อยถอยลงอนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถ้าเราระลึกนึกถึงนีนะ่จิตมันก็จะเป็นบุญนะใจก็จะเป็นกุศลชีวิตก็จ ะ, จ ะ, จะเจริญงอกง า, าม ดีกว่าอย่างอื่นนะบางคนเนี่ยนะอยากจะอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายก็ไปนึกถึงของดีนะแล้วของดีที่นึกถึงก็อาจจะเป็นพระเครื่องนะน้ำมนต์สายศิล์ยันนะอันนั้นเนี่ยมันบอกดีเท่าพระพุทธธรรมประสงค์นะมีเรื่องเล่าว่า สมัยที่หลวงปูดนะงป่ดู่นะหลวงปู่ดู่พรหมพันโยนยังมีชีวิตยอยู่นะเพิ่อนอยู่อยุธยาวัดศักแกวัดศักแกมีคราวนึงไฟไหม้นะไฟไหม้เข้าเข้ามาในวัดไหม้มาถึงตรงข้ามกุฏิหลวงปูด่ดูนะแต่ว่าดึกตรงแค่นั้นแหละไฟไหม้ลามมาไหม้ถึงกุฏิหลวงปู่ดู่คนก็ริ่มเพราะว่าหลวงปู่ดูนี่มีความดีวัดรุ่งขึ้นก็มีโยมคนหนึ่งนะ มาหามากร่างหลวงปูด่ดูแล้วก็บอกหลวงปู่ว่าอยากจะขอพระดีที่กันไฟได้ออยากได้ปะพระดีที่กันไฟได้นะหลวงปู่ดูบอกหลวงปู่ได้ยินก็ยิ้มแล้วก็บอกว่านี่ไงพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยของดีแหลนะนะชายหนุ่มคนนล้นก็บอกว่าไม่ใช่หลวงปู่ ผมหมายถึงพระที่เป็นองค์องค์อ่ะเป็นอพระที่เป็นองค์องค์อ่ะนะที่จะกันไฟได้หลงปู่ดูกก็เล้บอกเนี่ยก็พระพวกก็ทําพระสงฆ์นี่แหละดีแล้วนะดีกว่าอย่างอื่นหมดเลยเพื่อนผิดหวังนะกลับไปมือเปล่าหลวงปู่ไม่ได้ให้พรกเครื่องอย่างที่เพื่อนอยากได้ที่จริงถ้าเพื่อนฉลาดนะ จะไม่ได้กลับไปมือเปล่านะในใจนี่ก็จะได้พระพุทธธรรมพระสงค์ติดไปด้วยแต่คนโง่นี่พร้อมพอมาได้พระเครื่องแล้วก็ติดหวังนะพอชายหนุนั่นไปแล้วหลวพู่ดูก็พูดกับลูกศิษย์ว่าถ้าคนเรานี่แปลงนะให้ของดีไม่เอาจะเอาของปลอมนะชอบของปลอมนะพระเครื่องนี่ของปลอมด้วยนะพระเครื่องนี่ของปลอม ให้ของจริงเนี่ยนะก็คือพระพุทธธรรมประสงค์นะหลวงปู่ดูเนี่ยให้ของดีแล้วนะก็คือว่าให้ระ ล, ลึกถึงพร ะ, พ, ระพุทธธรรมประสงค์เอาไว้ระ ล, ลึกถึงแล้วเนี่ยจะให้ดีนะต้องทําด้วยทําตามพระพุทธปฏิบัติตามพระธรรมนะเดินตามพระสงฆ์เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะประสบความสุขความจเจริญ เพราะว่าถ้าเดินตามพระพุทธธรรมประสงค์ก็จะชนะกิเลสชนะใจตัวเองพอชนะใจตัวเองแล้วเนี่ยนะชนะมารพร้มชนะผู้มุงร้ายชนะอุปสรรคนี้โอ้มันมันตามมาเองนะกาเรียกว่าตกน้ําไม่หลายตกไฟไม่ไหม่ที่ไม่ไหมเนี่ยนะหมายถึงว่าใจไม่ไหม้นะคือว่าถึงแม้ป่วยนะแต่ว่าใจเนี่ยมันบม่ได้ป่วยตามนะถึงแม้ของจะหายแต่ว่า ใจยังเป็นปกตินะอันนี้แหละเป็นของดีนะเพราะว่าคนเรานี่จะทําความดีแค่ไหนนะมันก็ต้องมีคนปองร้ายนะอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็มีคนปองร้ายพระโมคคัลลานะก็มีคนทําร้ายเลยนะทําร้ายถึงกระท่านจะเรียกว่าตายก็ได้นะร่างกายนี่ยับเยินเลยนะแต่ว่าใจเพิ่งเป็นปกตินะ สามารถจะมาทูลลาพระพุทธเจ้าว่าขอลานะขอลักไปอขอลักสังขาร น, นะใจเพื่นปกตินะถึงแม้ว่าถูกคนทำร้ายนะอันนี้เรียกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคือใจเห้เป็นปกตินะถึงแม้ว่ากายจะเจ็บป่วยถึงแม้ว่าจะสูญเสียนะทรัพย์สินเงินทองตรงนี้แหละหนะ้าที่ ต้องจำเอาไว้นะว่าของดีเนี่ยนะของแท้มันก็คือพระพระุทธธรรมพระสงค์จะช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยอย่างแท้จริงอย่าไปหวังพึ่งสิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวแม้สิ่งนั้นจะเป็นพระเครื่องราคาแพงก็ตามเคยมีหมอคนหนึ่งนะรักษาหลวงพระเทียนเ <Yeah. S 1> พื่อนก็ชอบเล่นพระเครื่อง วันหนึ่งเพื่อนก็ถามหลวงพ่เทียนเอาพระเครื่องมาให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยองค์นี้เนี่ยเขาว่าขลังแต่ว่าเพื่อนบน่บ่แน่ใจก็เลยถามหลวเทียนว่าขลังจริงไหมมันจริงหรือเปล่าไอ้ขั้วไอ้ขลังเนี่ยของขลังเนี่ยหลวงพเทียนมันบอตอบนะเพื่อนถามว่าคนทําเนี่ยคนทําพระเครื่องเนี่ยตายแล้วยังตายแล้วนะตายไปนานแล้วด้วยเน่ะเพราะว่าเพื่อนบอกเนี่ยพระเครื่องนี้ได้มาจาก ได้มาจาับคนนั้นคนนี้นะตกทอดกันมาคนทําตายแล้วก็ตกทอดมาถึงคนนั้นถึงคนที้จนทั้งมาถึงหมอหลวงพ่อเทย์ก็เลยต่อกว่เนี่ยขนาดคนทํายังตายเลยนะนะแล้วคนมีพับเครื่องี่จะไม่ตายได้ยังไงนั่นบอกยังไก็ต้องตายแต่ถ้ายังไงตายถึงจะไม่ทุกข์นะคนทําพับเครื่องก็ต้องป่วยนะขนาดหลวงพ่อโตเนี่ยสร้างสมเด็จพระระครังมีเพื่อนก็ป่วยนะ หลวงปู่ดูเองเพื่อนก็ป่วยแต่ว่าใจเบาป่วยนะอันนี้ดีกว่าแลวที่ใจเบาป่วยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะธรรมะพับเครื่องดีแค่ไหนเนี่ยก็ทำให้ใจเบาป่วยบ่ได้นะพักเครื่องดีแค่ไหนก็ทำให้ไม่ตายนะบ่ได้แต่ว่าจะตายแล้วหรือกำลังป่วยอยู่ใจเป็นสุขเป็นปกตินี่ได้เน่ ก็นะไรนั่นะเพราะว่ามีธรรมะชนะกิเลสนะหลวงปู่ดูนีตอนหลังนะเพื่อนก็อายุ80กว่านะมีวันหนึ่งนะเพื่อนก็เพ่อนก็ป่วยมาอ่อนเพลียมาหลายมื้อนะแต่หน้าตาเพื่อนก็แจ่มใสแล้ววันหนึ่งเพื่อนก็บอกว่านะาจะไปแล้วนะ ญาติโยมก็แปลใจเพราะเห็นหลวงปู่นี่ก็ดูปกติดีหลวงปู่บอกว่าทั้งเดือ้อทั้งตัวนี่นะไม่มีตรงไหนไม่ปวดเลยญนะาติโยมแปลกใจเพราะว่าเพื่อนนี่ดูเหมือนธรรมดาไม่คิดว่าจะไปเร็วหลวงปู่ท่านก็บอกว่าให้รีบปฏิบัติซนะญาติโยมก็ยังนึกว่าหลวงปู่ยังได้อีกนานพราก็ว่าวันหน้าหลวงปู่ก็ไป ทั้งๆ ท, ที่หน้าตาก็ปกตินะแต่เพื่อนก็บอกไว้แล้วว่าเนี่ยไม่มีตรงไหนนี่ที่ไม่ปวดเลยปวดทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ก็มากระลุพ่อามเขียนนะตอนที่เป้นป่วยเนี่ยนะครั้งสุดท้ายเนี่ยหมอถามว่าปวดไหยหลวงพ่ออกว่าไม่มีตรงไหนที่ไม่ปวดเลยพูดคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเพื่อนก็หลวงพ่อก็ยังหน้าตาเป็นปกตินะแล้วสุดท้ายนะ พอท่านไปท่านก็ไปแบบปกตินะไม่ได้ทุรนทุรายเลยอันนี้พ่อมีของดีได้เป็นของดีที่พักเครื่องก็ทําให้เรได้แต่เพราะว่ามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะแล้วก็ ไ, ได้เป็นสารณะเราตานะทาตามด้วยนะถ้า น, นึกถึงอย่างเดียวแต่เราได้ทําตามน ะ, นะยังผิดศีลยังทําชั่วยังปล่อยใจให้ลุ่มหลงในกิเลส เวลาโกรธเวลาเครียดนี่ก็เชื่อทําตามความเครียดความศูนมันเวลาโกรธมันด่าให้มันดา่ามันสั่งให้ด่าก็ดา่านะความโกรธนะเวลามันสั่งให้ด่าก็ดา่าเวลามันสั่งให้ตีก็ตีความโลภมันสั่งให้ขโมยก็ขโมยนะความโลภมันสั่งให้ผิดศีลก็ทํานำะอย่างนี้เรียกว่ามัานได้มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นศารณะนะแลนะมีกิเลสเป็นสารณะ นั้นถ้าเราเป็นชาวผู้จริงๆนะก็ต้องเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะและถ้าเป็นเอาเป็นสาระจริงนะก็จะเกิดปัญญาอย่างที่เราสอนทุกเช้านะ เ, าเกิดทุกเช้านะว่าเมื่อใดบุคคลถือเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะแล้ ว, ลวเห็นอ ร, ริสัต์คือควาจริงกาประเสริฐสีประการเนี่ยถ้าไม่เห็นอนริยสัตย์สีนะ หรือว่าเราได้ใช้อริศัดสีให้เป็นประโยชน์นะก็ยังเรียกว่าเรได้ถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณนะหรือพูดง่ายคือว่าเมื่อเราเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเราตั้งใจอยากทําความดีรักษาศีล น, นะเอาเทนี่ก่อนนะมันก็จะได้สื่บมงคลนะก็จะช่วยรักษากายวาจาใจให้ กิเลสครอบงำได้รักษาชีวิตให้ปลอดพ้นจากอันตรายนะเพราะฉะนั้นน ะ, ะเมื่อเรามาฟังพระสวดพาหุงแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นเครื่องเตือนใจนะว่าเออฟังแล้วนี่นะไม่เพียงแค่ขอให้บา ร, รมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือบา ร, รมีของ พรบรมศาสดาปกปักรักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัยให้เอาชนะมารเอาชนะศัตรูเอาชนะอุปสรรคให้ตั้งใจยิ่งไปกว่านั้นว่าเราจะเอาชนะใจตัวเองเอาชนะกิเลสเอาชนะกิเลสที่มันอยู่ในใจเจ้าของให้เหมือนกันบพพุทเจ้าเนี่ยพอพระองค์ชนะใจเพิ่นได้แล้วนะชนะเพินอื่นก็ชนะง่าย อันนี้พนะระจาตอบไว้นะชนะศัตรูนะมากแค่ไหนก็สู้ชนะใจเจ้าของมาได้นะแล้วก็อาจจะมาพูดยาวนะแต่ว่าจำแค่ประโยคเดียวก็พอก็คือชนะใจกิเลสให้ได้นะแล้วก็จะประสบความสุขความเจริญนะมีสิริมงคลนะปกปักรักษานะเจ้าของให้อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้า อ่าเตรียมละครยะถาวริวหาภูราปริกูเรนติสาคารัง่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทสาขรนให้บริบูรได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตจินางเตตานังอุกกาบาตีฐานที่ดันหนุที่ไดและในโลกนี้ย้อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแ้วได้ฉันนั้น อิชตังภะติตังตุมหังต่ออิทัพนิตังกราธนาแล้ทั้งใจแล้วัิเมนวามีชาโตจงสำเร็จโดยชาพราสกพเพยุเรงตุสังกตาอความดำรีทังโกงจงเต็ที่ดันโทบันรโสยะตาเงินรา วิทยาวิวัชนุปันธรายธรรมบุญบรมราภัยสะพรโภวินาตุเรคทั้งหัวของท่านจงหายประวัติวันตายโยยามีแก่ท่านสกขีภัยยุโกภวาท่านจงเด็ผู้มีความสุมีอายุยืนอาภิวาณนาสุสนิจารุณาบาจายโน จตารหธมาวันตอายุวันโนสุภังภะรนทศิปการยูอายุวันณาสุภากรายอมจะรวยแก่บุคคลผู้มีปกติวิปลามีปกติอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่เป็นนิปาวันตุสาววังภะระปาศักดิมงคนจตมีแก่นพราคันตุสาวะเทวตา สังขโยนิโสิฏฐาตังปุิเสวามีเนวะทวายนมตายานามันายนายยาวะเวะอิมาสตายาสัตติญายาภณายาสุภราชยาพระมร ตรงนี้อ่ะ